นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ซึ่งเป็นรายการพอดแคสต์ทางเพียวธรรมะ d com อันนี้ก็พระไพบรูนอภิปุนโนเป็นผู้ดำเนินรายการครับกระผมทันทแพทย์นัฐพงศ์กรนกวิรุณ น, นะครับผู้ร่วมดำเนินรายการเช่นกันครับกลับมาสักการะอาจารย์ครับจารุพรในทุกๆสัปดาห์เราต้งสองคนก็จะมาในทุกๆสัปดาห์เราต้งสองคนก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังแที่มาจัด รายการพอดแคสต์เป็นช่วงเปิดตําที่ถูกปิดภาคออนไลน์แล้วก็ในสัปดาห์นี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วหมอรัตพงศ์ตอนที่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามแล้วจัดมายี่สิบสามครั้งแล้วครั บ, รบแล้วก็ในแต่ละครั้งแต่ละตอนเนี่ยเราก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวที่เอามาคุยให้ฟังเนอะทีงที่เป็นการตอบคําถามบ้างเป็นการเอาเรื่องการปฏิบัติบ้างเรื่องหมดทั้งหมดไหนไหนเนี่ย มาคุยท่นบู้ฟังฟังสัปดาห์นี้ก็จะเหมือนกันรเราก็จะเอาเรื่องอะไรมาคุยกันดีหมอแล้วท่านอกครับที่ได้กล่าวไว้คราวที่แล้วก็คือคือท่านจะนําเรื่องของการปฏิบัติบลิดเลนซึ่งพระพุทธเจ้าซึ่งก็คงแนะนำไว้ว่าอผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ควรจะมีการปฏิบัติบลิดเลนเนี่ยก็เลยจะขออนุญาตถามคําถามว่าเราการปฏิบัติ หลีกเล่นเนี่ยทไปเพื่อเห็นอันใดครับจริงๆต้องใช้กลับมาดูที่พุทธวจนะก่อนดีกว่าเนา ะ, ะเรื่องของ ค, คาว่าหลีกเล่นเนี่ยเป็นพุทธวจนะคาว่าหลีกเล่นเป็นพุทธวจนะก็มีพูดไว้หลายที่เมื่อเช่นว่าพวกเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเล่นเนะถิดนนเธอพูดหลีกเล่นย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งอะไรเล่า ก็รู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งอริยสัจ ท, ทั้ง4หรือว่าพระพุทธเจ้าก็จะให้หลิกเร้นในเวลากลางวันทําวิเวกในเวลากลางวันหลิกเร้นในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายครั้งที่พระองค์ mm hmm. ออกจากที่หลิกเร้นมาแต่ผู้เดียวเอกจากที่หลิกเร้นมาแต่ผู้เดียวจากระยะเวลา7วันบ้างตลอดทั้งวันบ้าง7วันบ้าง14วันบ้าง3ามเดือนบ้าง ฤกเรนเนี่ยคือไม่ไปบินตาบาทแล้วก็ไม่ใ ห, ให้ไม่ให้ใครเข้าพบยกเป็นภิกษุที่นําอาหารบินตบาทมาให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยสังเกต ด, ดูตรงนี้นะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์ที่ฤกเร้นเนี่ยก็เพราะว่าต้องการให้เป็นตัวอย่างกับบุคคลรุ่นหลังๆแล้วก็ให้เพื่อประกอบความอยู่เป็นสุขในวิหารธรรมคือพระองค์เนี่ยฤกเรนมากจนกระทั่งว่า พวกปริพาชกที่อื่นเนี่ยเขาม า, ากล่าวตู่ว่าสงสัยจะยังไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะทาไมจะต้องหลีกเล้นกันบ่อยถึงขนาดนี้อย่างนี้นะกรณีกรณีของคําว่าหลีกเล่นกับคําว่าวิเวชนี่มีความหมายแตกต่างกันอย่างไรครับก็คําว่าวิเวกเนี่ยคือความสงัดวิเวกวิเวกมีใช้หลายอย่าง อ, อ, อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าความวิเวกทางกายทางจิตเนี่ยทางจิตก็คือว่า ที่รปราศจากความคิดทางการความคิดทางใบบาทความคิดทางเปียนเบียนพวกนี้ก็เป็นความวิเวกได้แล้วก็วิเวกทางกายก็คือว่าไม่ผิดศีลอย่างนี้นะมีความวิเวกคือไม่ผิดไม่โกหกไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ประพฤติผิดในการมพวกนี้ก็คือวิเวกทางกายก็คือเรือ่องของศีลก็บริสุทธิ์ด้วยวิเวกทางกาย มีอีกที่หนึ่งก็ให้พูดถึงหมวดธรรมก็มีที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้บอกว่าให้วิเวกในเวลากลางวันให้หลีกเร้นในเวลากลางคืนวิเวกเนี่ยก็คือให้อยู่ในหลีกเร้นในกลางคืนเนี่ยก็คือจเจริญสติปัฏฐานสี่วิเวกกลางวันก็คือเรู้สึกจะเจริญอริยมรรมีองค์8อยู่ในมรรคแอยู่ในสติปัฏฐาน4 อ, อย่างเงี้ยก็ชื่อว่าอยู่ในความวิเวกหลีกเร้น อย่างนี้เหมือนกับว่าคําพุทธวจนะอวิเวกในเวลากลางวันและหลีกเร้นในเวลากลางคืนก็เหมือนว่าวันทั้งวันก็คือพยายามที่จะ อ, อยู่สงบสร้างความสงบอยู่กับหมวดธรรมคืออริยามรรคแล้วก็สติปัฏฐานสี่อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใชทีนี้ว่ า, าเรื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมที่แต่ละท่านจะต้องจะต้องมอีเพื่อที่จะปฏิบัติให้มันได้ยิ่งยิ่งขึ้นไป นี่การคำว่าปฏิบัติหลีกเร้นเนี่ยก็เป็นคำที่เราเอามาใช้เองคือคำว่าปฏิบัติเนี่ยพระพุทธาใช้ให้ปฏิบัติให้ปฏิบัติให้ปฏิบัติ ใ, ตใช่ไหมคำว่าหลีกเร้นเนี่ยพระพุทธาก็ใช้ทีนี้การปฏิบัติในเมืองไทยเนี่ยบางคนหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าต้องมาที่วัดต้องมานั่งสมาธิต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยทำได้ทุกที่ทุกเวลา ตราบใดที่เรามีลมหายใจอยู่เรามีสติอยู่ในลมหายใจตราบใดที่จิตของเราไม่มีนิวรณ์เป็นจิตที่มั่นแสบสายหลายไปผิดมีสัมมาธิฏิเนี่ยก็ชื่อว่าคุณปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าจํากัดอยู่ที่สถานที่เบลากุยกับใครได้ไหมหรือว่าอยู่ที่ไหนที่ทำงานคุณก็ทําได้หมดเพราะเราจึงต้องมาแยกแยะให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นการปฏิบัติแบบหลีกเล่นคือคุณมาวัดคุณไม่คุยกับใครคุณไม่พูดกับใครคุณอยู่คนเดียว คุณถือศีลแปดเราจึงเรียกการปฏิบัติแบบนี้ว่าหลีกเร้นปฏิบัตินะเพราะว่าปฏิบัติคุณทําที่บ้านก็ได้ใช่ไหมแต่หลีกเร้นปฏิบัติเนี่ยมันต้องมาที่หลีกเรน้นมันต้องมาที่วิเวกมันต้องเป็นสถานที่ที่สับปายะนะอย่างนี้เหมือนอย่างเวลารพระเจ้าปออกหลีกเร้นเนี่ยก็คือไม่คุยกับใครเลยบินธบากก็ไม่ไปบินนะเออแล้วก็ไม่พบใครด้วยเพราะฉะนั้นอย่างพระที่วัดเนี่ยพอถึงเวลาช่วงหลีกเร้นเนี่ย ภิกษุรูปไหนที่ไม่ได้มีทุ้ดองวัดในข้อบิณฑบาตเป็นประจำเนี่ยท่านก็จะไม่ไปบิณฑบาตนั่นก็เป็นนโยบายเลยเอาหยุดบิณฑบาต<ม>นั่งสมาธิกันทั้งวันทั้งคืนหมายถึงว่าตลอดวันตลอดคืนอย่างเนี้นะปฏิบัติตลอดแล้วก็อาหารต่างๆแล้วก็จะมีการการจรัดเตรียมไว้ให้ซึ่งในการห<ม>ลีกเร่นเนี่ยมาดูพงวุ้ยได้อันนี้สองมากคือว่าอย่างตัวอาจมาเองเนี่ยครับอันนี้ครับเรา เราบอกให้เขานั่งสมาธิเนี่ยเราก็ต้องนั่งสมาธิเหมือนกัน เ, เราบอกให้เขาเดินจงกรมเราก็ต้องเดินเราอ่านาพุทธประเนให้เขาฟังเราก็ต้องฟังไปด้วยเพราะนั้นแต่ละหลักสูตรที่ผ่านไปเนี่ยได้ผลมากแล้วอย่างในคราวที่จะถึงในครั้งนี้ของเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะมีคณะจากกรมประชาสัมพันธ์นะผู้บริหารระดับกลางกับระดับสูงเนี่ยจะมา ทั้งหมด4ี่ิบห้าคนทั้งชายและหญิงเขาก็จองคอร์สเนี่ยมาตั้งแต่สองสามเดือนมาแล้วเพราะว่าทางรองอธิบดีคุณเตืนใจเนี่ยได้เคยมาเล่นปฏิบัติที่วัดแล้วก็ดีมากๆกนะเขาบอกอย่างนี้นี้คนที่มาแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ทำตามกฎนี่จะเป็นปัญหาคือหมายความว่าตัวเองมาใช่ไหมใช่ครับต้องการมาเล่นปฏิบัติเต็มที่เลยแต่ว่าแอบคุยกันคุยเมื่อไหร่เนี่ยนะหมรัตง อาตมาเคยทําการวิจัยมาแล้ ว, ลวเอาจากผู้หลีกเรนเนี่ยแหละคนหนึ่งตั้งใจปฏิบัติมากอยู่ในกุฏิที่บักหลีกเล่นปฏิบัติอย่างเดียวเลยแต่มีคนมาชวนคุยครับไม่ได้อะไรเลยเจ็ดนะวันนี้อยู่ไม่ได้อะไรเลยจิตสงบอย่างเดียวเท่านั้นเองออย่างนี้ก็จิตสงบก็ไม่สงบด้วยครับอจิตสงบนี่บางทีก็ไม่สงบด้วยแล้วก็สรุปว่าได้อะไรก็ได้ได้อยู่วัด <laughs> ประมาณนี้เท่านั้นเองนะแต่ในขณะที่เขากลับมาครั้งที่สอง เขาบอกเขาไม่คุยใครเลยชวนคุยเขาก็ไม่คุยเขาแยกไปอยู่กุฏิกรรมาฐานเดี่ยวได้อันนี้สองมากคนเลอะเรื่องกันไปเลยเพราะฉะนั้นมันต้องหลีกเล่นกันจริงๆนะอืต้องเรียกว่าเอาจริงใช่ไหมครับเอาจริงก็คือว่าทําอย่างจริงจังแต่ว่าไม่ต้องคลีค่คลาดอย่าบังคับมากเพราะว่าถ้าเรา<อ>บังคับมากตั้งใจเกินไปเนี่ยจิตมันก็ไม่สมดุลไงแต่ถ้าเราเอละและเกินไป ก็เป็นไปเพื่อความเกลีกครานตั้งใจเกินไปก็เป็นไปเพื่อความฟุง้งซ่านจิตไม่สงบคิดนั่นคิดนี่<ม>ไปเ ร, รื่อยก็คือต้องเดินทางสายกลางด้วยในการปฏิบัติฤกษ์เร้นใช่ไหมครับทางสายกลางในที่นี้ที่เราให้ใ ห, ให้ปฏิบัติกระทําก็คื อ, อเรื่องของเรียมมมียง8ให้ฟังธรรมะให้ใอยู่กับตัวเองให้เจริ อ, อน า, านาปาณสติอย่างนี้นะนี่ก็เป็นเป็นทางสายกลาง แล้วก็เรื่องของหมดทําต่างๆเราก็จะบอกจะสอนในกรีดของการหลีกเรนมีมีบางคนอคนที่อยู่ที่ไม่เคยปฏิบัติหลีกเรนเนี่ยเขามองว่าการไปปฏิบัติหลีกเรนเนี่ยเหมือนการทรมานตัวเองไหมครับท่านอืมทรมานตัวเองนี่หมายความว่างไงละ่ะก็คือไม่ได้พูดกินกอดมือเดียวครับเหมือนเหมือนกับว่า แทนที่จะกินสามมือ้อแล้วก็อยู่สบายห้องแอร์ในเมืองในบ้านแต่ต้องไปเหมือนบีบบังคับตัวเองอย่างเงี้ยท่านมีความเห็นตรงนี้อย่างไรนะครับอ๋อเอางั้นถ้าเรามาเปรียบเทียบกับพวกบีบบังคับตัวเองคือเอาเหล็กตีตัวเองนอนบนเตียงน้ำเอามือบีบคออยู่ใกล้ใก้ไฟแล้วก็ไม่กินข้าวเลยแล้วก็ไม่โกนผมไม่ปลยให้ผมรกลงรังแล้วก็ไม่หลับไม่นอนอย่างเงี้ยอันนี้ สุดตรงอีกขั้วหนึ่งใช่ไหมสุดตรงเกินไปจริงๆสุดโตรงอีกขั้วหนึ่งเลยก็คือคุณอยู่โรงแรมห้าดาวเลยเอาต่อให้เจ็ดาวเลยก็ได้อะแล้วก็มีอาหารกินมันห้ามื้อสิบมื้อเลยนั่นือสุดตรงอีกขั้วหนึ่งทีนี้ทำํำไมเราที่เราทําเนี่ยคือทางสายกลางคือเรื่องของศีลนะศีลแปดเป็นผู้รับประทานมื้อเดียวก็ก็ถือว่าทางสายกลางไม่ได้สุดตรงขนาดว่าไม่กินข้าวเลยนะเราก็ มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอถูกต้องไม่คุยนี่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเล่นที่พระเจ้ายกย่องอยู่ละนั่นเพราะว่า<อ>ถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวเนี่ยแต่ถ้าเรายังมีตัณหาอยู่เนี่ยก็ยังชื่อว่ามีเพื่อนสองนะแต่ถ้าอยู่ในเมืองอยู่ในวัดในเมืองหรือว่าอยู่ตามบ้านตามโรงงานแต่ถ้าจิตเนี่ยไม่มีตัณหาอันนี้ก็ชื่อว่าจิตแบบอยู่ผู้เดียวเพราะฉะนั้นเรื่องของการอยู่ผู้ผเดียวอยู่มีเพื่อนสองเนี่ย<ๆ>มันก็เป็นเนรื่องของจิต แต่การหลีกเร้นที่เรามากระทำเนี่ยก็เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้ายกย่องให้กระทำํำ เ, เรื่องอะไ ร, รเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหลีกเร้นคือพระพุทธเจ้าเคยพูดกับพระมหาโมคลณะอย่างนี้ตอนก่อนที่พระโมคลานะจะบรรลุนะหมหงธัตโภพพระพระุทธเจ้าก็เตือนพระโมคลานะในเรื่องอุบายในการแก้ ง, ง่วงสิบทั้งหมด8อย่างหลังจากที่บอกบอุบายในการแก้งง่วงแล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามโมคละนะเราไม่ได้ตําตหนิการครุกคลีไปเสียทั้งหมดในะสมมุติการคลุกคลีด้วยหมู่คณะการคลุกคลีกันอย่างเงี้ยไม่ไ ม, ไม่ไม่สรนเสริญแต่ว่าเราไม่ได้การตําหนิการครุกคลีกับเสนาสนะอันสังขัดการตําหนิการครุกคลีกับธรรมะต่างๆที่พระเจ้าสอนเราไม่ตําหนิการคลุกคลีเห็นป่านนั้นน่นะ อันนี้ก็หมายความว่าให้เราแบบกุกคลีอยู่ในธรรมะให้กุกคลีอยู่ในสิ่งที่เป็นทางสายกลางให้กุกคลีอยู่ในสิ่งที่เป็นการหล็กเลื่อการวิเวกการทําความเพียนรูปแบบต่างๆที่พุทธเจ้าบัญญัตินะนะในความเพียนรูปแบบอื่นที่ไม่ได้บัญญัติเช่นเอาเหล็กแหลมมาตําตัวนอนบนเตียงหนาอย่างเงี้ยก็อันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติใหนะ้เรื่องรูปแบบของการทําความเพียนที่ มีก็หนักที่สุดที่จะมาเคยเห็นก็คือแค่อิรบทสามนะคือไม่ไม่นอนเรื่องไม่ไม่ฉันข้าวเนี่ยยังไม่ได้บอกให้ทำด้วยนะยังยังให้รับประทานแต่แต่พอดีไม่มีข้อทุดดวงวัดที่เรียกว่าห้ามรับประทานอาหารไม่มีครับอิริยาบทสามก็คือยืนเดินแล้วก็นั่งใช่ไหมครับยืนเดินนั่งเว้นอดีบทนอน ก็คือไม่นอนก็เรียกว่าอ๋อครับครับหลับได้แต่ว่านั่งหลับใช่ไหมครับสมมุติว่าง่วงจริงจอย่างเงี้ยถ้าถืออีริบท์สามเราสามารถหลับได้แต่เป็นอิริบทนอนเพราะฉะนั้นก็อย่างภาษาอีสานก็จะมีศัพท์ก็ว่านอนนกนั่นคือนอนแบบนกเนี่ยเป็นนั่งหลับเอาแต่ว่าไม่ไม่นอนอเป็นอิริบด์นอนครับที่ขึ้นจริงๆแล้วในหลักสูตรเนี่ยเราก็ยังสอนให้ มีการนอนอย่างตถาคต so. นะคือการนอนอย่างตถาคตเนี่ยคือลักษณะที ken, ่นอนอยู่ในฌานนอนอยู่ในสมาธินะคือการนอนเนี่ยมีอยู่สแบบนะคือการนอนตะแคงขวาตะแคงซ้ายแล้วก็นอนหงายนอนตะแคงซ้ายนี่คือนอนอย่างคนบริโภคกามนอนหงายเนี่ยคือนอนอย่างเปรตคือคนตายคนที่ตายไปแล้วนะเปตะแล้วการนอนตะแคงขวานี่คือนอนอย่างศีหะ บางคนก็ยากแล้วนอนอย่างตาคดเนี่ยก็คือนอนอยู่ในสมาธิชัน 1, ช้นหนึ่งชัน 3, ช้นสองชั้นสามชั้นสี่อย่างงี้บางคนก็เลยเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับนอนอย่างเปรตนะบางคนก็เลยเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับนอนอย่างเปรตว่าเอะเปรตเนี่ยมีปกตินอนงายมีสัญญาณกวนเยอะเนาะหมอนุรทวงได้ยินเหมือนกับ ห้ 5, 4, 3, 2, าสี่สามสองหนึ่งเรื่องของการนอนอย่างตถาคตเนี่ยก็คือนอนอยู่ในสมาธินอนอยู่ในสมาธิจันทร์หนึ่งจันทรสองจันสามจันทสี่เราจะสังเกตเห็นว่าการนอนอย่างตถาคตเนี่ยไม่ได้จํากัดท่านอนะมีครั้งหนึ่งที่อาตมา ก, ก็เคยทดลองทำนะ เ, เราต้องการจะนอนตะแคงขวาอย่างเดียวครับแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่ที่เราเป็นเป็นปวดสีข้างด้านขวาเนื่องจากไปตีตีอ เขาเลตีตาดหรือว่าทําความสะอาดลานวัดเนี่ยปวดมากจนกระทั่งนอนตะคแคงขวาไม่ได้แต่ก็ต้องนอนหงายออซึ่งรเราก็เข้าใจเลยว่าโอ้จริงๆแล้วพวระพุทธเจ้าจึงกําหนดอย่างนี้ว่าอยู่ท่าไหนก็ได้หรอกขอให้เป็นสมาธิแต่ถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยอยู่ท่าไหนก็ได้ไม่เป็นไรในมุมนี้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอการนอนอย่างเปรตเปตาเนี่ยการนอนอย่างเปรตหรือเปต า, ปตานอนหงาย อ่าใช่นอนหงายการนอนหงายเนี่ยบางคนก็เข้าใจว่าเปรตเนี่ยคือเหมือนกับผีเปรตพวกเนี้ยนะแต่จริงๆต้องเข้าใจ ใ, ให้ถูกว่าคือเปรตเปตะนี่แปลว่าคนที่ตายไปแล้วนะปกติเนี่ยสมมติเราเอาปืนยิงคนเนี่ยตุ้มเนี่ยเขาจะล้มลงปูบุ้งเนี่ยก็จะลักษณะนอนหงายนะหรือว่า ค, คนตายถูกฟันยิงตายแทงตายอย่างเงี้ยถูกรถชนตายโดยปกติทั่วๆไปเนี่ย เกือบร้อยเอร์เซ็นเนี่ยก็จะมีท่าทางนอนหงายครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยผู้เช่าก็เลยตรหัดลักษณะตรงนี้ออกมามว่านอนหงายนอนข้างขวานอนข้างซ้ายอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้หมายความว่าอผ e ีเปรตเนี่ยนะจะนอนหงายไม่ไม่ใช่อย่า ง, งานั้นแต่หมายถึงคนที่ตายไปแล้วศพ<อ>นั่นแหละศพเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาจับลงในโรงเนี่ยเขาก็ต้องจับนอนหงายอาจจะไม่จับนอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายอะไรอย่างนี้ การ น, นอนอีกแบบหนึ่งแบบที่สี่นี้อะไรนะครับท่านการ น, นอนอย่างตาคดคือการ น, นอน อ, อย่าง อ, อยู่ในสมาธิไม่ไม่เกี่ยวกับท่าใช่ัหมครับไม่ใช่คือจะเป็นท่าไหนก็ได้แต่ว่าจิตอยู่ในสมาธิใช่ใ ช, ใช่อยู่ในชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองที่สามแล้วก็ที่สี่ครับอย่างนี้เคยมีกรณีว่าบางคนเนี่ยทำสมาธิแล้วก็จนกระทั่งมไม่หลับเหมือนกับว่าจิตเนี่ย มันมันเหมือนมันเหมือนอะไรฮนะตาแข่งไงครับเขาเรียกตาแข่ตื่นอยู่ตลอดเวลารู้สึก ต, ตัวอยู่ตลอ ด, ลอดเวลาครับมีมีมีผู้เรียนหลา ย, ลายๆท่านก็มาคุยให้อัตมาฟังว่าเนี่ยทําไปทําไปนะจิตมั น, ม, นมันไม่นอนมันไม่รู้สึกง่วงแต่ว่ารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คืออาการคนที่มีมีสติอยู่ในการนอนอืมีมสติในการนอน ก็คือจิตเ้าก็เป็นจิตที่มีสติรู้ตัวอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกง่วงไม่รู้สึกอะไรแสดงว่าก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าฝึกถ้าฝึกทําได้อย่างนี้ตลอดน่าจะดีมากๆเลยแล้วอย่างนี้กายเขาจะเพลียไหมครับในวันลุงขึ้นว่าเหมือนกับกายไม่ได้พักอย่างนี้ครับไม่เป็นเขาก็บอกว่าเขาไม่เป็นอารมาก็เคยเป็นอยู่หลายครั้งแล้วนั่งสมาธิติดต่อกันเนี่ยเราจะรู้สึกตัว เราจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดทั้งคืนแต่ว่าไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เพลียเป็นลักษณะของการที่ที่เรามีสติอยู่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นมุมมองที่ใครใครที่ยังไม่เคยปฏิบัติลีกเลนเนี่ยผมจริงๆแล้วแนะนำเลยนะครับเป็นสิ่งมีค่าที่สมควรจะปฏิบัติในการเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมามครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ เรียกว่าจาเป็นทีเดียวมีนักบินอยู่คนหนึ่งนะเขามาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเข้าหลีกเล่นปฏิบัติเนี่ยเขาก็ไม่เคยพบความสุขอะไรมากเท่านี้มา ก, ก่อนอคือเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในความสุขที่สงบนะ้อมันเป็นดีมากๆไม่เคยเจอความสงบอย่างนี้มาก่อนอเขาเล่าให้ฟัง่ะเพราะฉะ น, ะะนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องเชิญชวนท่าน ผู้ฟังทั้งหลายถ้ายัางไม่ได้เคยมาเรียนปฏิบัติเนี่ยก็ให้ลองสละเวลามาดูนะถ้าเราไปสละเวลาไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ย เ, เมื่อก่อนอาตมาเนี่ยก่อนที่จะมาบวชเนี่ยเราก็ได้เคยไปปฏิบัติในรูปแบบนี้มาเราก็บอกว่าโอ้โหมันดีมากๆเลยเราจะต้องไปทุกครั้งจะไปทุกปีนะเราตั้งเป้าไว้สมัยกตอนที่ก่อนจะบวชนะอ๋อยังเป็นคราวานะทำงานอยู่รเราต้องไปทุกปี แล้วก็แมมมีปีหนึ่งเรายังมีเวลาหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ไปต่างประเทศอะไรได้เอ๊ะทำไมเราจะมาอันนี้สักสัปดาห์หนึ่งเพื่อตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ก็เลยตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะนะพอมาบวชนี่ก็คือเรียกว่าเรียกว่าได้เต็มเต็มเลยนะได้เต็มเมกว่าเจ็ดวันอีกสิบวันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครั บ, รบอย่างอย่างกรณีที่ท่านนำปฏิบัติหลีกเล้นเนี่ยคืออันหนึ่งผมผมมองว่าโอ้โหนี่การเป็นผู้สอนผู้นำเนี่ย จะได้เรียกว่าได้เป็นเท่าทวีคูณของผู้ปฏิบัติเลยนะครับอคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างสมมติอ่านหนังสือให้ฟังเนี่ยใช่ครับคนอ่านเนี่ยได้มากที่สุดได้มากที่สุดคนสอนจะยิ่งแตกฉานยิ่งทะลุปุกรหรือใครที่เป็นอาจารย์เนใครที่เป็นครูสอนหนังสือนะับยิ่งสอนตัวเองยิ่งเก่งมากขึ้นถูกต้องครับอันนี้ครับหรือว่าอธิมาก็เคยอย่างสมมติเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยเงี้ยถ้าเรามาติวคนอื่นสอนคนอื่นนะ วิชานั้นเรายิ่งเชี่ยวชาญใช่ครับถึงแม้เราจะไม่เก่งอะไรมากนะแต่ ข, ข, ขอสอนหน่อยเองน<ข><จ>ะ<ว>ก็จะเป็นการดีเพราะฉะนั้น anden, มาปฏิบัติแล้วเนี่ยามาเป็นผู้ช่วยงานทำเนี่ยก็จะได้อีกแง่มุมหนึ่งมาปฏิบัติครัง้งที่สองครั้งที่สามก็จะได้คนละคนละเรื่องกันไปครับในการปฏิบัติเนี่ยคนที่มาปฏิบัติเนี่ยมีกลับมาปฏิบัติซ้ำๆอย่างนี้มากไหมครับ ออก็มีจํานวนหนึ่งพอสมควรทีเดียวนั่นในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีคนเก่าเนี่ยประมาณยี่สิบถึงยี่สิบคนคนที่เหลือก็จะเป็นคนเก่าคือคนใหม่สมมุติเรามีเก้าสิบเนี่ยประมาณยี่สิบถึงสามสิบเนี่ยแหละจะเป็นคนเก่าแล้วก็ประมาณหนึ่งในสามหนึ่งในสามจะเป็นคนเก่าคือคนเก่าเนี่ย ท, ที่มากันเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นประโยชน์ในการมาหลีกเล่นปฏิบัติ แ, <c oughs> แต่ละครั้งเนี่ยมารอบหนึ่งสองรอบเนี่ยบางทีฟังพุทธวจนะไปเนี่ยมันก็จะได้คนลังแงม่มุมอย่างอาตมาเองเนี่ยนะเราฟังเราอ่านพุทธวจนะเนี่ยอ่านรอบที่หนึ่งเนี่ยมันไม่เหมือนกับอ่านรอบที่ส <c oughs> นะิบอ่านรอบที่สิบเนี่ยก็ไม่เหมือนกับอ่านรอบที่ยี่สิบอ่านรอบที่สามสิบเนี่ยไม่เหมือนกับอ่านรอบที่ยี่สิบนะ <c oughs> เป็นอย่างนั้น <c oughs> จริงเพราะว่าตอนนี้เรา จัดมาแล้วยี่สิบยี่สิบหกคอบางเรื่องเนี่ยอาจมาอ่านมามากกว่าสามสิบครั้งคืออ่านมาก่อนแล้วหน้านั้นแล้วด้วยใช่ครับแล้วก็ทําให้เราเห็นแง่มุมที่ว่าโอ้โหมันมันลึกซึ้งมากนะสามสิบครั้งกับไอ้ครั้งแรกนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยจริงๆนะอย่างเช่นอ่านครั้งแรกเนี่ยเราจะพบว่าโอ้โหเรื่องนี้เราไม่เคยฟังมาก่อนเลยอ่านครั้งที่สิบเนี่ยเราจะพบว่าเอ้ามันมีแง่มุมนี้อีกแฮะเราไม่เคยเห็นเลย อ่นานครั้งที่20สิบเนี่ยเราจะพบว่าโอ้มันไปเกี่ยวข้องกับระสุดนั้นด้วยเหมือนกันแฮะเกิดการเชื่อมโยงอ่า น, นครั้งที่สามสิบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าบทพยยัญชนะพระเจ้านี้งดงามจริงๆอืง ม, มันจะลึกซึ้งขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นพอเรามาศึกษาตรงนี้มากขึ้นเนี่ยต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติแล้วก็ฟังพุทธวจนะปฏิบัติไปเนี่ยแม่มัน บางคนเนี่ยมีแม่ออกคนหนึ่งชาวบ้านหนองเต่าเนี่ยนะเป็นชาวบ้านเลยนะ น, นี่ก็ไปดำนากันอยู่เมื่อวานก็ยังเห็นไปดำนาอยู่เขาก็มาบอกให้อัตมาฟังบอกว่าท่านอาจารย์เนี่ยนะดิฉันเนี่ยนะมาหลีกเล้นที่วัดนี่นะโอ้ยเหมือนมาขึ้นสวรรคร์กินก็ไม่ต้องทำกินเองอ๋อนะมีคนทำให้เสร็จเออถึงเวลาก็ไปนั่งสมาธิถึงเวลาก็มากินถึงเวลาก็ไปนอน ยังกระยู่บนสวรรค์ลเลยไวไม่งนั้นอยู่บ้านยังไม่สบายขนาดนี้ไวไ่าอย่างนั้นอ่า อ, อยู่บ้านต้องทํากินเองใช่ครับเราก็ต้องไปทํางานต ท, ทำนุ่นทำนี้อยู่วัด น, นี่สบายใจทั้งกายและใจเข้าไว่าอย่างนี้อ น, นี้ไม่ใช่ใชการทรมานตัวเองนะครับอืมเรียกว่าแบบพักจริงๆนะครับเรียกว่าพักทั้งกายและใจแล้วก็ถ้าเราหาเวลาคุณถ้าสมมติคุณเอาง่ายๆคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดห้าวันสิบวันคุณไปเที่ยวต่างประเทศอาทิตย์หนึ่งสิบวัน ถ้าคุณมีเวลาอย่างงี้นะมันไม่มีข้ออ้างเลยว่าจะไม่มีเวลามาหลีกเล่นปฏิบัติครับเหนือขอไห ม, มแล้วก็คนที่ยังไม่เคยเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยนะอาจมาไม่สามารถที่จะแหกอกตัวเองแล้วก็ออกไปคนละก้อนสองก้อนได้นะมันไม่เหมือนพระเครื่องหรือว่าหนังสือให้กันได้นะครับคือถ้ายังไม่เคยเจอเนี่ยแล้วชีวิตนี้ยังไม่ยังไม่เคยเจอแล้วตายไปก่อนนะโอ้โหซวยที่สุดในโลกเลยใช่ครับ สวยี่สุ ด, สดโลจริงๆเสียโอกาสในชีวิตเลยว่ะเออแล้วก็ถ้าเราไม่เคยเจอความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งเหนือกว่าละเอียดกว่าประเสริฐกว่าประีดกว่าลึกซึ้งกว่าเนี่ยนะมันเสียชาติเกิดครับอืมเหมือนกับคุณเกิดเป็นคนไทยอะ่ะครับคุณก็มีเงินไทยอยู่ในกระเป๋ามีแบบประชาชนไทยเอ้าแล้วรู้เรื่องศาสนาพูดด้วยอ่แล้วก็อยู่เมืองไทยมาตั้งนาะนจนป่านนี้แล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าภูมิพลคือใครอ ย, อย่างเงี้ยนะ มั น, มนก็เสียชาติเกิดเหมือนกั น, มนไม่ได้เรื่องครับ <laughs> ใช่ครับ ม, มันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่คิดว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้คําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยรู้รู้นิดๆหน่อยๆรู้แล้วก็อ๋อออพอทําได้แต่ไม่เห็นว่าด้วยตัวเองอย่างจริงๆจั ง, จงๆว่าความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยมันเหนือกว่ากินอาหารอร่อยๆตั้งเยอะมันจะไม่ได้เรื่องครับ <c oughs> เราต้องเราต้องทําให้ได้นะแต่คือการทำเนี่ยไม่ใช่ว่าบังคับเอามันจะไม่ได้ถ้าเรามีความอยากเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเดินทางตรงข้ามกันกับทางไปนิพานทันทีอืเพราะว่าสมาธิเป็นของเบาเป็นของปล่อยใช่ไหมครับใช่รับอย่างที่ที่ได้พูดอยู่เป็นประจำพระพุทธเจ้าบอกสมาธิเป็นของเย็นเป็นของระงับเป็นของระงับนะเป็นของประณีตนะเป็นของระงับนะไม่ใช่ของเอาอย่างมีมีอันนึง บางคนเนี่ยเขาโทษเขากลัวกลัวผีครับท่านการไปวัดป่าเนี่ยผมว่าหลายๆคนเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเอ้ะอยู่คนเดียวด้วยกลางคืนแล้วมันออืมันจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยเขามีมีไหมครับคนที่มากลัวผีแล้วแล้ว่กลัวผีจนขนาดว่าบางคนนี่นะหมอนรัตพงศ์ไปอยู่กุฏิเดียวไม่ได้เลยครับเอยู่กุฏิเดียวไม่ได้เลยต้องมาอยู่รวมกัน ในกุฏิหนึ่งแต่ว่าก็แยกห้องนะหรือบางคนนี่ขนาดว่ากูผีอาจจะไม่กลัวแต่กลัวทุกแก่อย่างเงี้ยนะกลัวแมลงอย่างเงี้ยนะกลัวอะไรที่แบบว่าเราก็รู้สึกมืนแปลกแปลกเหมือนกันนะนะกลัวจิ้งจกอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เป็นเป็นเนี่ยแหละเป็นเครื่องทดสอบของแต่ละบุคคลอย่างพระเจ้าเนี่ยก็เราต้องการจะขขจัดความกลัวออกไปก็เลยไปอยู่ในคืน เดินมืดคือเดินมืดบ้างหงายบ้างสว่างบ้างมืดบ้างเงี้ยไปอยู่ในป่าที่น่าสะพรึงกลัวนะป่าเนี่ยมันพิกษุพระพุทธเจ้าบอกว่าพิกษุที่ไม่ได้สมาธิถ้าจะมีอยู่ป่าเนี่ยจิตจะจมลงจิตจะเปลี่ยวไปนะคือเหมือนกับกระต่ายน้อยอย่างเงี้ยนะจะไปลงในน้ําลึกเชี่ยวเนี่ยไม่ได้จะไปทําเหมือนช้างไม่ได้ไดช้างนี่สูงสิบสี่ฟุตอย่างเงี้ยหรือสิบสี่ฟุตครึ่งเนี่ยจะลงไปไว่ายน้ําล้างหลังล้างหู ทั้งอัดทั้งดื่มเนี่ยด้ประตัวมันใหญ่ครับเหมือนกันถ้าจิตของเราไม่เป็นสมาธิเนี่ยจะไปอยู่ป่าเนี่ยยากอ๋ออย่าเพิ่งใช่ไหมครับก็จะนําจะทําให้จิตจมลงจิตปลือไปอเพราะฉั้นถ้ากลัวมากๆจนกระทั่งจิตแตกเลยเนี่นะโอบ้าไเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็คือว่าถ้าเขากลัวมากเราก็จะอะให้มันอยู่ที่ที่มันเหมาะสมมีแสงสว่างหน่อยใกล้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนกลัวทุกแกเราก็จะให้เรียกสังคีรีพวกเด็กวัดเนี่ยไป เอาตุ๊กแก่เอาให้องนี้นะอครับหรือก็ก็แล้วแต่คนน่ะบางคนคือยังมีความกลัวอยู่เนี่ยคือกลัวเนี่ยความกลัวมันอยู่ในใจเราไงครับอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเราต้องขจัดตรงนี้ออกไปครับอย่างป็นการเป็นเป็นโจทย์ให้ต้องฝ่าฟันไปใช่ไหมครับใช่แล้วก็ถ้าเขาทําตรงนี้ได้เนี่ยชีวิตเขาก็จะชนะไปอย่างหนึ่งอ่ะก็จะมีเรื่องที่กลัวน้อยลงอีกอย่างหนึ่ง คือคนพวกเนี้ยเวลากลัวอย่างสมมติกลัวตุกแกอย่างเงี้ยจะไม่ได้กลัวทุกแกอย่างเดียวจะต้องกลัวแมงสาบด้วยเอพ่วงกันพ่วงกันมาแน่เพราะว่าความกลัวมันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ของสิ่งบนใช่ครับมันไม่ได้อยู่ที่ทุกแกครับอ่าต่อให้ทุกแกหมดโลกนะคุณก็ยังกลัวแมงสาบอยู่ดีเดี๋ยวก็กลัวงูอีกต่อให้งูต่อให้แมงสาบหมดโลกนะคุณก็ยังไปกลัวงูอีกครับเอ่มันไม่จบเพราะแก้ที่ตัวกลัวอยู่ในตัวเรา S <S เอแล้วคุณบางคนกลัวงูอะงูหมดโลกเลยนะยังกลัวผีอย่างนี้นะมันก็ไปเรื่อยๆครั บ, อรบไอความกลัวตรงนี้ยมันเป็นจิตปรุงแต่งไหมครับท่านความกลัวนี่เป็นเพราะว่าตัณหาไงครับอพราะพระพท้ที่ยังมีตัณหารเนี่ยก็ยังมีความกลัวอยู่พระพรทธาจ้บอกว่าความกลัวเกิดมาแต่ความรัก ค, รความโศกก็เกิดเกิดมาแต่ความรักเพราะว่าถ้าพ้นแล้วจากความรักเนี่ยอ่าความ กลัก็ไม่มีไม่มีแล้วความโศกก็จะไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันอ๋อคือคนที่กลัวเนี่ยเขเพราะว่ามีความรักในตัวเองไม่กลัวตายอ่ะกลัวตัวเองตายกลัวตายกลัวถูกทําร้ายอย่างเงี้ยก็เลยกลัวว่าสิ่งนี้จะทําอันตรายให้เราอย่างเงี้ยแต่ถ้าเพราะว่ากลัวความที่เพราะเขียนว่ากำลังมีเป็นตัวเราไง อ้ายังมีความเห็นว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยคอะไรที่จะมาทําความเสื่อมสีให้เกิดเกกับความเป็นตัวเราของเราเนี่ยก็จะกลัวทันทีมีคําถามครับพระอาจารย์ล่าสุดเลยจากผู้ที่ไปปฏิบัติที่วัดป่าดอนไหายโศกด้วยจากผู้ที่ใช้นามว่าผู้ศึกษาปฏิบัตินะครับนี่ก็เป็นขาประจําของเรานะครับอืคือท่านกล่าวว่าท่านและข้าสามีเนี่ยเพิ่งกลับจากปฏิบัติ หลักสูตรหลีกเล้นที่วัดป่าดอนไฮสตุกเดือนที่ผ่านมานี้เองก็ท่านก็ขอกราบขอพระคุณท่านหลวงพ่อด็อเตอร์สะอาดและพระอาจารย์ไผบูรณ์และผู้ช่วยงานทาทั้งต่ายด้วยนะครับท่านมีคำถามว่าเป็นพุทธวจนะนะครับเมื่อเธอเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตและเห็นการละอภิชาและโทมนัสของเธอด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้น นั่นคือทำมานุปัศสนาสติปฐานคำถามก็คือคําว่าเห็นการละเนี่ยหมายความว่าให้เราเห็นกิริยาที่ละวางสิ่งที่ยึดถือไว้ในจิตเช่นขณะดูลมหายใจอยู่จิตหลุดจากลมไปจับที่ความคิดคือความคิดที่ผุดขึ้นมาเนี่ยเราก็พยายามละความคิดนั้นแล้วกลับมาอยู่ที่ลม การที่เราเห็นการละวางของจิตยอย่างนี้เป็นธรรมานุปัสนาใช่ไหมอ๋อถูกต้องใช่คือว่าเห็นการเกิดดับไปแล้วครับ อ, อืมแล้วแตกต่างจากติดจิตตานุปัสนาอย่างไรไม่เห็นต่างกันเลยเพราะว่าเห็นจิตเนี่ยก็คือคือมันเป็นสติปัฏฐานฮะ เพราะฉะนั้นคุณจะใช้อะไรเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้เกิดสติก็ได้ในกรณีนี้เนี่ยเขาใช้ธรรมคือการเกิดดับเป็นฐานที่ตั้งให้มีสติสิ่งที่เราต้องการในจิตตานุปัสนาสติปฐานกับธรรมานุปัสนาสติปทานคืออย่างเดียวกันคือสติเพราะฉะนั้นจิตตานุปัสนาเนี่ยก็ทำให้จิตของเรามีสติธรรมานุปัสนาสติปทานก็ทำให้จิตของเรามีสติเพราะนั้นไม่ต่างกัน มไม่ต่างการเห็นอยู่ที่ว่าคุณจะมองจากมุมมองไหนถ้ามองจากมุมมองของตัวลมเองนะอันนั้นจะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคถ้ามองจากสัมปัติของลมนะสัมปัติที่เกิดขึ้นตรงนี้จะทําไม่เกิดเวทนาตรงนี้ก็จะเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้ามองจากจิตที่เข้าไปสังเกตลมหายใจก็จะเป็นจิตตา น, นุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของลมเนี่ยก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานไว้งอันเถอะอื อยู่ที่ว่าเราโฟกัสหรือว่าไปมองตรงาจากตรงจุดไหนจุดไหนเท่านั้นเองครับก็ต่อเนื่องเลยนะครับข้อสองต้องเห็นเฉพาะอภิชาและโทมนัสเท่านั้นใช่หรือไม่อภิชาและโทมนัสกินความหมายครอบคลุมแค่ไหนคือะอะไรก็คืออภิชาคือความพอใจและความไม่พอใจนั่นแหละ ความพอใจและความไม่พอใจก็สิ่งใดพอใจก็ละสิ่งไหนไม่พอใจก็ละแค่นี้เองไม่เอาทั้งพอใจและไม่พอใจใช่ไหมครับใช่เพราะนั้นก็จะไม่รวมสิ่งที่เป็นอุเบกขาไม่รวมรสิ่งที่เป็นอทตุกรรมสุขกเวทนาก็าตรงกลางๆเอาทั้งออชอบไม่เอาไม่ชอบก็ไม่เอาออคาถามตอเ น, นื่องว่าถ้าเป็นแค่ความคิดที่ผุดขึ้นมา หรือความรู้สึกพอใจไม่พอใจพอเรารู้ตัวมีสติกับมาที่ลมหายใจถือว่าเป็นวิปัสนาที่ถูกต้องแล้วใช่หรือไม่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ธรรมานุปัสนาอธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาจิตานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทั้งสัมมสมถะและวิปัสนากายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทั้งสมถะและวิปัสนา แค่นนเองครับอันนี้เป็นพุทธวจนะถูกต้องไหมครับออันนี้เป็นพุทธวจนะหรือไม่ครับเอไม่ได้พูดอย่างนี้โดยตรงนะแต่ว่าเราเราได้ข้อมูลจากตรงที่ว่าสติปัฏฐานทำให้เกิดมรรคแปดใช่ไหมสติปัฏฐานเนี่ยทำให้เกิดโพชฌงทั้งเจ็ดตัวพระเจ้าเองก็ใช้อน า, านาปานสติซึ่งก็คือสติปัฏฐานทั้งสี่เพราะฉะนั้นก็มันก็คือสมถะวิปัสนาของตัวมันอยู่แล้วอ๋อครับครับอื งั้นก็คือคำตอบก็คือเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาครับข้อตอบไปก็คือ ผ, ผู้ถามเนี่ยนั่งสมาธิเมื่อเผลอหลุดจากลมไปมีความคิดผุดขึ้นมาพอมีสติกลับมาที่ลมมักน้อมจิตให้เห็นว่าความคิดไม่เที่ยงเกิดดับอย่างนี้หรือจิตไม่เที่ยงเดี๋ยวไปรู้ลมเดี๋ยวไปรู้ความคิดอีกแล้ว กดดับอย่างนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่เมื่อเผลอหลุดจากลมไปแล้วก็มีสติกลับมาอยู่ที่ลมอันนี้ก็ถูกต้องอยู่เรามีสติกลับมาที่ลมแล้วก็ก็จบละแค่นี้ก็พออ ก, ก็แค่จะทําให้มีความรู้สึกว่ามีการโยนิโศมีการสังเกตเห็นว่าออมันไม่เที่ยงเกิดดับอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไปก็ที่ถามว่าถูกหรือไม่ก็ตามคำตอบก็คือถูกต้อง อืมครับก็คือมันคงจิตก็เดี๋ยวไปรู้ความคิดเดี๋ยวก็ดึ๋กลับมาอย่างนี้ก็คือสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งก็ดับสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งก็เกิดอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ๆช่ชครับโอเคอ่าคำถามต่อเนื่องข้อที่สี่นะครับถ้าใช้วิธีตามข้อสามแต่อ่าสังเกตพบว่าจิตไม่ได้ถึงขั้นมีสมาธิแน่วแน่ ควรพยายามฝึกทำสมาธิให้แน่วแน่เสียก่อนแล้วค่อยน้อมจิตไปเห็นการเกิดดับหรืออย่างไรแต่โยมยังทำสมาธิไม่ได้ถึงขั้นนั้นถึงแม้ตอนนั่งอธิษฐานไม่ยกแขนไม่แยกขาก็รู้ตัวดีว่าสมาธิยังไม่ได้แบบแน่วแน่และมักจะเห็นตามข้อสามบ่อยกว่าคือเห็นจิตไป รู้ความคิดสลับกันมาสลับกันไปมาบางทีรู้รมบางทีไปรู้ที่หูเป็นต้นฝึกไปแบบนี้ตามวิธีที่เราถนัดจะดีหรือไม่เราต้องเป็นผู้ฉลาดในวรจิตแห่งตนอรุชาเคยพูดไว้สองในยะในยะแรกเนี่ยคือการฉลาดในวรจิตแห่งตนว่าจิตเราขณะนี้เนี่ยมีธรรมานุ ป, ปัสสนาก็เรียกว่าะละเจตละสมถะ สมถะกับวิปัสนาเนี่ยตอนไหนมีมากมีน้อยนะเราต้องทราบวรารจิตของตัวเองถ้าตอนไหนมีสมถามากมีวิปัสนาน้อยเราก็ตั้งตนไว้ในสมถะเราก็เจริญวิปัสนาแต่ถ้าเวลาไหนเรามีวิปัสนามากมีสมถาน้อยเราก็ตั้งตนไว้ในวิปัสนาเราก็จะเจริญสมถะ อ, อ, อ, อย่างกรณีของอาตมาอย่างเงี้ยเคยนั่งสมาธิกับพระองค์หนึ่งหลวงพ่อก็สอนให้อยู่หลวงพ่ออาจารก็สอนให้ อาตมาเนี่ยทำสมาธิให้มากๆแต่สอนพระอีกองค์หนึ่งเนี่ยให้พิจารณามากๆน้องบวชพรรษาเดียวกันพ ร, ร้อมๆกันอาตมาสอนองค์หนึ่งอีกอย่างหนึ่งสอนเราอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าธรรมชาติของจิตของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นต้องฉลาดในวัตสิทธิ์ของเราอย่างอาตมาเนี่ยวิจารณ์ทีหคิด3เรื่องอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องการพิจารณาคิดแลไรของเรามันมีมากอยู่แล้วแต่สมาธิเราน้อยเราก็เจริญสมาธิให้มากเพราะฉะนั้น มันก็แล้วแต่นะว่าเราจะไปทำตรงไห น, นแต่ว่ า, าจิตเราแน่วแน่แค่นี้เราก็จะเห็นตามที่เป็นจริงตามระดับของความแน่วแน่ที่ที่ที่เรามีกําลังของจิตที่เรามีอะราณนั้นก็ทําไปพร้อมๆกันนี่แหละอะไรมากมันก็จะค่อยๆเสริมกันไปเองเพราะถ้าเรามีสติอยู่ใดนลมหายใจอยู่ตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นผู้ที่มีสติใช่ไหมพอเป็นผู้ที่มีสติเนี่ยไม่ว่าจิตของเราจะหดหู่ฟุ้งซ่านมันก็จะต้องเจริญธรรมะ<ม>หมวดที่เหมาะสม กับของเขาเองเท่านั้นเองครับอย่างอนาปาลสติเนี่ยเหมาะสําหรับทั้งหดภูฟุ้งซ่านเนี่ยคือพ ร, พ, พระพุทธเจ้าบอกว่าใช้แก้ได้ทุกอาการใช่ไหมครับอืมใช่ใช่ครับก็มีอันนี้ส่งหลายอย่างมากครับแล้วกอ็อย่างเรื่องหดหูฟุ้งซ่านเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของโพชฌงทั้งเจ็ดครับที่ว่าจิตหดหูเป็นยังไงฟุ้งซ่านเป็นยังไงคิดว่าในสัปดาห์หน้าเราจะพูดเรื่องโพชฌงทั้งเจ็ดก็ได้ ครับยัมไม่เคยคพูดเรื่องนี้เลยเนาะมาเจาะลึกเลยอต่ละอเลยเพราะฉะนั้น ค, คิดว่าอในส ด, ดานี้เราได้พูดถึงเรื่องของการหลีกเลน่นว่าลีกเล่นมียังไงแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์จากการลีกเล่นไปเป็นอย่างไงบ้างมีพวกวัยรุ่นอะไรต่างๆก็มานะพวกนักเรียนมปลายนักเรียนมหาวิทยาลัยก็มี ต้องรียนมต้นก็มีเอจากกรุงเทพหรือว่าจากในในท้องถิ่นครับกรุงเทพนะจากมอต้นมปลายกรุงเทพแล้วก็มัธยมปหกอ่ะปห้าปหกก็มีมาเป็นเด็กอุดรครับนี่เรื่องของการหลีกเรียนเราก็พูดไปแล้วเราก็มาตอบคําถามของคผู้ศึกษาปฏิบัติเพราะนั้นในตอนต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของอระชงท่องเจ็ดประชมท่องเจ็ดก็จะค่อย มีคำถามอะไรต่างๆก็ท่านผู้ฟังส่งมาก็แล้วกันครับได้ครับส่งมาที่ w w w p e e เ t h a m อทเพที่เดิมนะครับแล้วก็ไปที่หน้าพอดแคสต์หรือว่าจะใส่คอมเมนต์ไว้ที่ไหนก็ได้ครับมี Facebook ด้วยนะครับใช่ไหมครับก็มีอยู่ก็ a c e b o o k แล้วก็เพ e ยวธรร m a ครับครับก็จะไปที่เว็บไซต์ทันทีโอเคถ้างั้นก็พพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับครับ ต้องกราบมักการขอาพระคุณพระอาจารย์ภัยบูรณอภิปุโนโแห่งวัดป่าดอนไอโศกครับแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับ